ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรเชาเรื่องอธิบายนามรูปอาการลิงคนิมิตอุเทศอย่างพิสดารตอนที่หนึ่งโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่สองธันวาคมสอง4ห้าสาสที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตาฟังได้นะบัดนี้ วันนี้อาตมาตั้งใจจะเอาเรื่องของนามรูปในเรื่องของรูปนามที่พระเจ้าทตรัสเอาไว้ในมหานิทานสูตรในพระธรรมปิฎกเล่มสิบที่ขณิกายมหาวรคเอาในจุดอาตมาจะมาเอาขยายในจุดของนามรูปนามรูปเนี่ยเราจะต้องรู้จักนามรูป ด้วยอาการอย่างไรด้วยสภาพอย่างไรเสืนาตมาเคยเอามาใช้เอามาบอกพวกเราให้พวกเราปฏิบัตินะแต่ก็ไม่เคยเอาจากพระเตปิดดกนี่มาอ่านข้อความจากพระตตปิดดกแล้วก็ยืนยันอะไรแต่อะไรลงไปให้พวกเราได้รับทราบสักทีหนึ่งนะก็คิดว่าได้โอกาสได้ครั้งได้คราวที่ดีๆก็จะเอามาขยายครั้งนี้ก็เลยหยิบมานะในพระเตปิดก เล่มสิบมหานิทานสูตรนี้ข้อความที่มันเกี่ยวเนื่องโดยน้ำรูปนี่อยู่ที่ข้อหกสบนะข้อหกสบที่จริงมหานิทานสูตรนี้เป็นสูตรที่ท่านพระอนนท์อาตมบางไม่อ่านสูตรทั้งหมดรบรรยายา น, นี่มันมหาวัตรมันปนพระสูตรบทยาวนะพระอนนท์ท่าน อยู่ดีๆท่านเกิดรำพึงรำพันขึ้นมาว่าโอ้นาอัศจรรย์นะเรื่องไม่เคยมีมาข้าพเจ้านี่นะอะไอปฏิสมุติประบาทที่ว่าลึกซึ้งสุดประมาณเนี่ยแหมมันเล่าคาลึกทั้งลึกทั้งมีเงามีความซ่อนเข้าไปเข้าไปนะแม้อย่างนั้นข้าพเจ้าก็แหมสามารถรู้ได้เหมือนเป็นของตื่นว่างั้นนะเหมือนคุยเขื่องนะพระอ น, นุนเหมือนเป็นของตื่นนักว่านะ พระพุทธเจา้าท่านก็นเลยปราโมทย์อย่าพูดอย่างนั้นอานนท์ อ, อย่าพูดอย่างนั้นนะปฏิจจสมุปบาทนี่ลึกซึ้งสุดประมาณแล้วก็เป็นของลึกนะเป็นของที่มีเงาซ่อนเงาเข้าไปอีกนักกว่านักอก็เพราะว่ามนุษย์ประชาสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่ไม่รู้จักไม่รู้จริงและไม่แทงตลอดถึงธรรมะอันนี้แหละปฏิจจสมุปบาทนี่แหละนะมูสัตว์จึงเป็นผู้ยุ่งอยู่ทุกวันนี้ประดุจได้ของชังหู นะประนหนึ่งว่ามีปมเกิดปมเกิดกระจุกอะไรเต็มไปหมดหรือว่าเหมือนกับหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องนะถึงได้ไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นร้อนกันสักทีหนึ่งนะและท่านก็ตรัสเล่าแล้วก็ท่านก็ว่าอธิบายไปตั้งแต่เริ่มต้นชรามารณะซึ่งตรัสเป็นภาษารูปธรรมนะจะเข้าใจอย่างภาษารูปธรรมนั้นว่ากันจริงแล้วภาษารูปธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ มองในแง่ลึกก็ได้มองในแง่ตื้นก็ได้นะมีชรามีมรณะมีอ่าถ้าใครมาถามว่าชรามรณะมีอะไรมีสิ่งอะไรเป็นปัจจัยก็ให้ตอบว่ามีชาติเป็นปัจจัย น, นี่เป็นเรื่องของปฏิจสมุปาฏใครเคยเรียนมาใครเคยจำได้ก็ตอบไปได้เรื่อยเลยนะถ้าเผื่อว่า เกิดชาติละถ้าเพราะว่ามีชรามรณะก็เพราะว่ามันเกิดชาติเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าเพราะว่าชาติละมันมีอะไรเป็นปัจจัยต่อไปอีกก็ตอบว่ามีภพเป็นปัจจัยอาแล้วภพเรามีอะไรเป็นปัจจัยนะภพก็มีอุปทานเป็นปัจจัยอ่าแล้วอุปทานมีอะไรเป็นปัจจัยอุปทานก็มีตัณหาเป็นปัจจัยและอุปทานก็มีเวทนาขอภัย อ๋อยังไม่ใช่เราถูกแล้วตุประทานมีตัณหาเป็นปัจจัยและตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยก็มีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยเวทนาก็มีผัสสะเป็นปัจจัยและผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยผัสสะก็มีสลายตน ะ, นะมีอายตนะนั่นเองสละก็คือหอายตนะหมีอายตนะห เป็นปัจจัยและอายตนะหกมีอะไรเป็นปัจจัยล่ะอายตนะหกก็มีนามรูปเป็นปัจจัยและนามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยนามรูปก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยและวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยตอนนี้ลงท้ายมวลหัวมวลหางแล้วเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณหรือ เพราะวิญญาณนี่แหละจะเกิดนามรูปามามวนหัวมวลหางกลับเป็น อ, อนุโลมปฏิโลมก็อยู่ตรงจุดนี้ถ้าเผื่อว่าจะให้ต่อแล้วแล้วก็นามรูปกับวิญญาณเนี่ยมันจะต่อไปอีกเหมือนกั น, น นามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยแล้ววิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยแต่นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในมหานิทธานสูตรนี้ท่านตรัสมาที่วิญญาณและมีนามรูปเป็นปัจจัยและนามรูป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 แล้วท่านก็อธิบายขยายความถึงชาติ <Yeah. S 1> แล้วอธิบายถึงว่ามันเกิดชาติมันก็จะต้องมีเรื่องขยายเรื่องขยายนั้นท่านก็เรียกว่าเหตุนิทานสมุ ท, ทยัยปัจจัย <Yeah. S 1> ทุกอย่างก็มีเหตุมีนิทานมีสมุ ท, ทยัยมีปัจจัย เหตุหรือก็เหตุก็คือเหตุนะหล่ะมันมีปัจจัยอันนี้เกิดเป็นอันนี้แล้วมันก็มีเหตุแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมีการอ้างถึงต้นเหตุของมันต่อไปแล้วก็มีเหตุต่อไปอีกเป็นสมุทัยแล้วก็มีเหตุต่อไปอีกคือปัจจัยเนื่องหนึ่งๆกันอะไรก็เพราะเกิดมาแต่เหตุดังที่เราเคยได้ยินพระรูตเจ้าท่านสอนเรานะว่าเพราะทุกอย่างมาแต่เหตุมันจึงเกิดถ้าดับเหตุซะได้ทุกอย่างก็ดับสนิท เพราะในเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยก็เป็นหัวข้อของเหตุเหมือนกับอิทัพปัจจยตาหรือสมุตปฏิจจสุบวารก็ ค, คล้ายๆกั น, นเพราะเหตุนั้นจึงเป็นผลนี้เพราะเหตุนั้นพรอเป็นผลนี้แล้วผลก็กลายไปเป็นเหตุแล้วก็ไปเป็นผลต่อเป็นผลต่อไปแล้วก็ไปเป็นเหตุเพื่อที่จะให้เกิดผลต่อไปเรื่อยๆๆนะ เพราะเหตุอย่างนี้จึงเป็นสิ่งอย่างนี้สิ่งอย่างนี้เพราะเหตุสิ่งอย่างนี้จึงมีสิ่งอย่างนั้นต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะมีเหตุมีปัจจัยรายละเอียดผสมประสาน เ, าเข้ามาปรุงมาแต่งกันอะไรต่อะไรกันไปเยอะแยะนะท่านก็อธิบายอาตมาไม่อธิบายเรื่องตั้งแต่ว่าสภาพมันเกี่ยวเนื่องกันมากมายนะ อาตมาจะไม่อธิบายพวกนั้นมากมายนักอาตมาจะตั้งใจจะมาขยายตรงที่รูปนามนี่ก่อนนะเอาเรื่องรูปนามเนี่ยใหช้ชัดๆแล้วเราจะได้เข้าใจอะไรดีๆมากขึ้นนะในข้ออื่นๆท่านก็ไล่ามาเรื่อยๆแหละนะแล้วท่านก็มาขยายเวทนาอีกเยอะนะตรงเวทนาจึงเกิดตัณหา ที่มันเกิดตัณหาเนี่ยตรงเวทนาแล้วมันจึง أ, เพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาและเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการสแสวงหาเพราะอาศัยการสแสวงหาจึงเกิดลาภเพราะอาศัยลาภจึงเกิดการตกลงใจหรือการชี้ขาดนะอันนี้อาตมาเคยเอามาอธิบายเดี๋ยวเราค่อยอธิบายอีกวันหลังนะตอนนี้อาตมาจะเจาะตรงที่เพราะานามรูปนี่แหละ เราจะขยายว่าเพราะผัดสะจึงเกิดเวทนาดูกระอันนวลทำธรมธรมะทั้งสองเหล่านี้รวมกันอันเดียวกันกับเวทนาโดยส่วนสองโดยประการดังนี้แลก็คำนี้ว่าเพราะผัดสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ ดูกระอนนลเธอเพิ่งทราบความข้อนี้โดยปริยายแม่นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาฟังดีๆนะเพราะผัสสะเป็นปัจัจจึงเกิดเวทนาดูกระอนนลก็ถ้าผัสสะมิได้มีแกใครๆในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนคือ จักสุสัมผัสโสตสัมผัสคานาสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเมื่อไม่มีผัสสะโดยประการทั้งปวงเพราะดับผัสสะเสียได้เวทนาจะพึงปรากฏได้บางไหมพระอนนท์ก็ทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเราฟังความข้อนี้แล้วนี่เพราะผัสสะไม่ว่าผัสสะจะทั้ง ตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเมื่อมีผัสสะมันจึงจะเกิดเวทนาเมื่อไม่มีผัสสะโดยประการทั้งปวงเพราะดับผัสสะเสียได้เวทนาจะพึงปรากฏได้บ้างไหมพระอนนกทูลตอบว่าไม่ได้เราฟังดูแล้วตื่นๆ้นเนี่เราจะบอกโอ้ทั้งนั้นเราก็ดับผัสสะคือปิดตาใช่ ปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายเหมือนกับยังฤาษีเขาเนี่ยฤาษีเขาก็นั่งหลับตาปิดทวารเลยนะปิดทวารหมดเลยไม่ให้อะไรเข้าปิดทวาร น, นะที่จริงแล้วทวารเนี่ยมันมีอยู่เก้าทวารเคยได้ยินไหมว่าทวามีเก้ารู้ไหมว่าทวานเก้านี่มัมีอะไรทวานอะไรกันบ้าง นะทะวารทั้งเกนะ้่ะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหทวารแล้วก็มีทวารอีกสมทวารคือทวารทางกายวาจาใจรวมเป็น9ก้เพรา ะ, ะ น, นเาัเราปิดหมดเลยกายก็ไม่รับวาจาก็ไม่รับปัจจีก็ไม่รับไม่รับไม่ออกกายก็ไม่แสดงออกวาจาก็ไม่แสดงออกใจก็ไม่แสดงออกปิดหมดเลยทวารทั้ง9้านี่นะพระ เขาเรียกพระปิตพวาน9เนี่เขาเรียกพระอะไรเนอะมหาอุดน่ยเขาเรียกมหาอุดอุดหมดเลยจบนะอะไร8อะไรถูกกายวาจาใจมันเป็นมันเป็นสภาพกรรมกายวาจาใจนี่เป็นสภาพกรรม อ๋อคุณเลิกเคยได้ยินธทวานแปดเลยก็มิตะปิดอวานเก้ามันปิดวานแปดเอาเขาไปทิ้งไหนสักอันหนึ่งก็ถึงบอกเรืองถามว่าธทวานเก้ามีอะไรบ้างใจมันซ้ำแต่มันเป็นกรรมกายว่าใจใจเป็นกรรมเอาเถอะไปปิดไปอุดเถอยังงั้นอ่ะตายพอดีอุดทวานหนักทวานเบาก็ตายแล้ว อุตตาอุดจมูมันอาจจะยังไม่ตายแต่อุทวนนันอุทวานบานะ่ะตายแงเออนัน่นแหละทวานของขามันก็เปไปอย่างนั้นแหละทวานของขามันออกไปในทางอาวิชามันก็ไปเรื่อยๆของมันแหละนี่พูดให้ฟังตามหลักของพุทธและอธิบายให้ฟังให้ชัดว่าการอุดหรือการปิดทวานทั้งเก้าอย่างที่ว่าเนี่ยมันอันนี้เคยอธิบายไว้ในหนังสือคนคืออะไรเนะีปิดดับมันดื้อแบบฤาษีนี่นะ มันไม่ได้หมายความอย่างที่ท่านหมายนี้นะเพราะดับผัสสะเสียได้เวทนาจะพึงปรากฏไปบางไ ม, ไม่ได้เพราะเหตุนั้นแหละอนนุนเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งเวทนาก็คือผัสสะนั่นเองก็เลยฟังยิ่งตื้นใหญ่เลยเพราะนั่นคนที่เสียดที่เรียนมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นฤษีไปหมดพระไตรปิฎกเนี่ยลึกซึ้งอ่านแล้วได้คําได้ความก็ได้อย่างนี้แหละแต่คนที่มีปฏิพานปัญญาอ่านนี่มันต่างกันความหมายมันต่างกัน อั น, น, นอาตมาจะอ่านต่อไปบอกเกลินๆให้ฟังแต่ว่าถ้าไปดับผัสสะคือไม่ให้เกิดผัสสะเลยคุณไม่ต้องเห็นปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายเสร็จแล้วท่านก็บอกว่านี่แหละมันก็ไม่มีเวทนาไม่มีความทุกข์มันไม่เกิดเวทนาไม่เกิดอะไรต่อเป็นปฏิจจสมุปาฏิมันก็ไม่ทุกข์แล้วก็คานี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะ เพราะนามรูปเป็นปัจจัยมีนามรูปนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกราอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะมันมีนามรูปฟังให้ดีนะนามรูปเนี่ยถ้ามองไปอย่างตื้นบอกแล้วว่าโดยรูปธปรรมมันก็คือนามรูปตัวตนเนี่ยมีกายกับใจนามก็คือใจรูปก็คือกายนี่หยับหยาบ พระอาหารหันต์ปรินิพานไม่มีการยังลงสู่คันแยกจิตวิญญาณศูนย์แน่นอนศูนย์จิตวิญญาณหมดอัตภาพหมดเกาะหมดเป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณซึ่งไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตภาพพระอาหารหันต์หมดจิตวางปล่อยหมดไม่มีตัณหาใดเหลือเลยวิภาวะตัณหาใดใดก็หมดสิ้นพระอาหารหันต์ก็ศูญไม่ยังลงสู่คันเพราะฉะนั้นรูปนามที่ว่านี้คือร่างกายที่จะมีวิญญาณครองนี้ ไม่มีอีกแล้วไม่ก่อเกิดอีกแล้วนั่นถูกเมื่อพระอรหันต์เจ้าปรินิพานนามรูปที่จะเป็นนามรูปยาบรวมทั้งหมดเป็นตัวตนองค์คาพยบที่มีร่างกายพร้อมกับจิตปัญญาณอยู่ในนั้นเสร็จนี่ของพระอรหันต์เจ้าที่ดับขันปรินิพานแล้วหมดตัณหาทุกอย่างไม่มีแม้แต่วิภวะตัณหาดังกล่าว แน่นอนย่อมไม่มีรูปร่างร่างกายที่ของพระอาหารหันต์จะไปเกิดในพบในไหนต่ออีกเลยพบก็คือกามาพแดนคนที่มันจะมีตัวตนร่างกายนี่แหละไม่อย่างลงสู่คันที่เป็นคันมารดาพ่อแม่ตามสายเลือดนี่แหละไม่มีพระอาหารหันต์ไม่มาเกิดอย่างนี้อีกน่นแน่นอนนั่นเป็นรูปหยาบทีนี้เมื่อกําลังจะอธิบายนี้เราจะเข้าใจในปัจจุบันนี้เราจะเข้าใจเรื่องนามรูป ถ้านามรูปอย่างพระอระหันนั้นน่ะถ้าเราเข้าใจอันนี้แล้วเสร็จนามรูปอย่างพระอระหันที่ว่าไม่ยังลงสู่ขันแล้วก็ไม่มีภพมิจชาติไม่มีตั้งกายตัวตนอีกนั่นน่ะมันไม่ยากหรอกแต่อันนี้แหละเข้าใจให้ได้ถ้าเข้าใจอันนี้ไม่ได้ปฏิบัติทําไม่ได้ด้วยไม่มีทางบรรลุธรรมด้วยได้จะไปเป็นพระอารหันอย่างนั้นน่ะนะไม่มีทางไม่มีทางได้เป็นด้วย ดุกระอนน์เพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม่นี้เหมือนที่เราได้กล่าวว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสส ะ, ะเรามีนามรูปแล้วเรามีตัวตนร่างกายแล้วขณะนี้นี่มีร่างกายที่เป็นนามรูปรวมทั้งหมดมันต้องมีผัสส ะ, ะมีตาหูจมูกริ้นกายมีศรัทธานะอยู่มีดุกระอนน์การบัญญัตินามกายทีนี้ถ้าจะแยกนามกายรูปกายฟัง ดูกระอานนนการบัญญัตินามนามกายกายก็คือองค์ประชุมองค์ประชุมของนามต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเคาไม่งงนะมีคําว่าอาการเพศนิมิตอุเทศเพศก็คือลิงคะที่อาตมาใช้ภาษาซับซ้อนภาษาซ้อนคําว่าลิงคะนั่นแหละมีอาการลิงคะนิมิตอุเทศนั่นแหละต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศ เมื่ออาการเพศนิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีฟังนะอาการลิงคะนิมิตอุเทศเอาละอัตมาเคยชินในคําว่าลิงคะไ ม, ไม่ได้ชินในคำว่าเพศในนี้นะอัตมาพูดคําว่าลิงคะก็แล้วแต่คําว่าลิงคะก็คือคําว่าเพศอาการลิงคะนิมิตและอุเทศนั้นนั้นไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏได้บ้างไหม เมื่ออาการลิงคณิมิตและอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเดี๋ยวฟังภาษาไปก่อนไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพระ อ, น, น, น, อนุทูลตอบนะดูกระอนน์การบัญญัติรูปกายทีนี้เมื่อกี้บัญญัตินามกายการบัญญัติรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเหมือนกันนะเหมือนกันนั่นแหละเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มี การสัมผัสโดยการกระทบเมื่อกี้ในการสัมผัสเพียงแต่ชื่อทีนี้การสัมผัสโดยกระทบจะพึงปรากฏในนามกายได้บ้างไหมนามไม น, นามกายเองนะการสัมผัสแต่เพียงแต่เพียงว่าเอาชื่อไปเรียกเอาอะไรไปเรียกนี่เราฟังโดยภาษาเนี่ยถ้ามันไม่มีอาการไม่มีดิฉันฟังทับซับไปก่อนอาการ อาการลิงคะนิมิตอุทเทศเนี่ยเป็นภาษาที่เรียกว่าจะต้องพร้อมไปด้วยสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แม้แต่ในนามกายในยจะสัมผัสเพียงแต่ชื่อในรูปกายใดๆก็แล้วแต่นะก็บอกว่าไม่ปรากฏไม่มีได้ไม่มีท่านตรัสถามพระอนนทพระอนะนก็ทูลตอบว่าไม่มีมีไม่ได้เลย แม้ในรูปกายก็ต้องพร้อมไปด้วยอาการลิงค์ันนิมิตอุเทศเมื่ออาการลิงค์ันนิมิตอุเทศนั้นนั้นไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบจะพึงปรากฏในนามากายประกบกระพบกระทบแล้วก็เข้าไปถึงนามากายได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะดูกระอนันนการบัญญัตินามกายก็ดีนามก็ดีรูปกายก็ดีต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นนั้นไม่มี การสัมผัสเพียงแต่ชื่อก็ดีการสัมผัสโดยการกระทบก็ดีรวมหมดเลยตอนนี้จะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะดูกระอนันน์การบัญญัตินามรูปต้องพร้อมด้วยอาการเพศหรือริงคะนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นนั้นไม่มีผัดสะจึงจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่านะเพราะฉะนั้นเพราะนามรูปไม่มีผัดสะจึงไม่มี เพราะเหตุ น, นั้นอาน o ์เหตุนิทานสมุทัยปัจัยแห่งผัสสะก็คือน้ำรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเกิดผัสสะได้ก็เพราะมีน้ำรูปถ้านามรูปไม่มีผัสสะก็ไม่มีผัสสะจะกล่าวโดยชื่อก็ไม่มีจะโดยการกระทบจริงๆทางรูปกายทางอะไรก็ไม่มีไม่มีทั้งหมดทีนี้พร ะ, พระอรหันต์เจ้า ที่ยังไม่ตายเป็นอรหันต์หมดกิเลสดับปฏิจสมุบาสนี้เป็นสายดับดับไม่เกิดเวทนาตามที่ท่านตรัสท่านสอนไม่เกิดเวทนาไม่เกิดอะไรต่อไปจนกระทั่งไม่เกิดผัสสะไม่เกิดเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดชรามรณะไม่เกิดอะไรแล้วใครผู้ที่ยังไม่มีความลึกซึ้งก็ฟังเป็น สภาพของแ ค, ปปแค่รูปธรรมนะแค่รูปธรรมจะขออธิบายหยาบของพระอรหันต์ให้ฟังก่อนพระอรหันต์เจ้าเมื่อท่านเองท่านมีชีวิตอยู่ตอนมีชีวิตเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะถ้ามีชีวิตอยู่ท่านก็ปฏิบัติตามที่ท่านเข้าใจนั่นแหละของพระอรหันต์ทีนี้พอเวลาท่านจะตาย พอท่านจะตายท่านก็ดับจริงๆดับหมดท่านก็วางหมดดับจริงๆนี่คือดับผัสะดับนามรูปตามนามธาทมที่จะอธิบายต่อไปตอนนี้ยังไม่ใช่นะตอนนี้ที่จริงก็ใช่ด้วยคือว่าท่านต้องดับอย่างนั้นได้น่แหละมันจึงจะดับอะไรไปหมด พาท่านดับผัสสะดับนามรูปดับอะไรแต่ไรเสร็จแล้วก็ไม่ยึดไม่เกาะไม่มีตัณหาอะไรอีกปล่อยวางหมดเลยและยิ่งปล่อยวางนี่แหละยิ่งรู้ยิ่งชัดยิ่งเห็นยิ่งแจ้งไม่ใช่ยิ่งดับยิ่งมืดผู้ที่เคยอ่านประวัติพุทธประวัติมาก็คงจะพอจำได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานด้วยอาการตื่นเนื้ออาการหลับ ผู้ที่เคยอ่านพุทธวจนะมาพระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยด้วยอาการตื่นด้วยอาการหลับนะตื่นออกจากฌานสีด้วยพระพุทธเจ้าปรินิพานด้วยการออกจากฌานสีด้วยตื่นนะเพราะฉะนั้นยิ่งดับเท่าไหร่ยิ่งตื่นเท่านั้นภาษานนี้เป็นภาษาคนที่คนธรรมดาเข้าใจไม่ได้ไง่ายๆหรอกยิ่งดับเท่าไหร่ยิ่งตื่นเท่านั้น เพราะนั้นตายด้วยตื่นตื่นไม่ใช่ตายอย่างหลับเลยยิ่งรู้ตัวยิ่งตื่นยิ่งเห็นแจ้งยิ่งเข้าใจอะไรทุกอย่างแล้วก็สลายไปซึ่งพุทธวิสัยหรือว่าอารหันตวิสัยอันนี้มันเดาไม่ได้หรอกคุณเป็นเองนะคุณก็ถึงจะเกิดตรงนั้นไม่ใช่เรื่องเดาแลนะไม่ใช่เรื่องเดาแล้วก็สลายก็เลิกไปนะเมื่อพระอรหันต์ตายอย่างที่ว่าเนี่ยท่านตื่นนะแต่ท่านดับ ทันตายนะและต่อท่านตายนะตัว น, ตต น, นี้ตายศูนย์ไม่ได้ตายเกิดแต่รู้ตายด้วยรู้รู้จักขุมาปรินิพุโธติตายด้วยลืมตาตายด้วย ร, รู้แต่ตาจะลืมจริงๆหรือไม่ลืมจริงๆนั่นไม่ต้องเกี่ยวเราเอาตายานเราเอาพูดถึงนามมาทําแล้วดับสลายไปเนี่ยนะก็แน่นอนที่สุดว่าผัสสะใดๆก็ดับแท้ไม่ต้องกระทบสัมผัสอะไรอีก โดยรูปหยาบเนี่ยก็ไม่ต้องผัสสะไม่ต้องไปมีเวทนาไม่ต้องไปรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขแม้แต่อุเบกขาเวทนาก็ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแล้วเมื่อมายึดเป็นเราเป็นของเราก็ไม่มีเรามีของเราไม่มีอะไรอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเวทนาอะไรก็ไม่มีจะจะไปเป็นเหตุให้เกิดตัณหาจะไปเป็นเหตุให้เกิดอุปทานจะไปเป็นเหตุให้ไปเกิดอะไรอะไรต่อขึ้นไปอีกเป็นภพเป็นชาติเป็นชรามารณะไม่มีแน่นอน ไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อดับตรงนี้ตายอย่างที่เรียกว่าปริพาน์ก็ไปเลยเพราะทำตรงที่ดับนามรูปในจิตวิญญาณได้เพรา ะ, ะต้องมาหัดดับนามรูปในจิตวิญญาณตั้งแต่ยังไม่ตายถ้ายังไม่ตายนี่มีรูปนามขันธ์ห้านี่ยังดับนามรูปในรูปนามขันธ์ห้านี้ไม่ได้ไม่ใช่พระอรหรอันต์อาทีนี้มารู้ชัด จะอธิบายได้เหตุผลให้ฟังก่อนอาการพวกเรานี่ได้เรียนได้ปฏิบัติทำมาแล้วอาการคุณอ่านอาการออกใช่ไหมอาการของความโลภอาการของความรักอาการของราคะอาการของการกโกรธอาการของการแค้นอาการของการทุกข์อย่างโกรธฤศิยากดดีมันยึด ในสายของการที่ผูกแค้นผูกโกรธ ผ, ผูกเครื่องผูกไม่ชอบใจอะไรก็ตามอาการเหล่านี้อ่านออกไหมอ่านอาการของตนออกไหมใครอ่านใครไม่เคยอ่านออกเลยใครไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสอาการนั้นไม่เคยมียานไม่เคยมีปัญญารู้เลยว่าอาการอย่างนี้แหละมีนิมิตหมายมีเครื่องหมายให้เราสัมผัส ของอาการของจิตนี่แหละอาการกิเลสในจิตนี่แหละ <c oughs> ยิ่งหยาบหยาบก็ยิ่งเห็นชัดโอ้โหเราเนี่เดือดพล่านเลยนะมันอยู่ไหนก็แล้วแต่เถอะในในตัวเรานี่แหละอืมันร้อนใจเลยนี่มันทุกข์มันโลภ น, นี้มันไม่ได้สมโลภมันโลภอยู่นี่มันอยากได้อยากได้อยากได้อาหาดุเดือดอยู่เนี่ยหรือว่ามันรักมันราคะ อาการก็าม่มีฤทธิ์มีเด ก, กเราเนี่ยหรืออาการโกรธโกรธมากๆก็ยิ่งเห็นชัดๆยิ่งอ่านง่ายๆอ่านอาการได้ง่ายๆมีนิมิตให้จับมีเครื่องหมายจากวันนี้เป็นเครื่องหมายเป็นลักษณะนิมิตนี่คือลักษณะเครื่องหมายให้เราเนี่ยสัมผัสรู้ไอ้ญาณที่ไปรู้อาการนั้ น, น, นของเราของเราเองเป็นปัจจุบังนั่นแหละญาณ น, นั่นแหละคือญาณปัญญาภายในเป็นตาทิพย์ ในรู้จักตาทิพย์ชัดนั่นแหละตาทิพย์ที่เห็นอาการลิงคณิมิตมันต่างกันอาการของความโลภกับอาการของความโกรธมันต่างกันต่างกันยังไงคุณย่อมรู้ผู้ที่ศึกษาปฏิบัติแล้วรู้ว่าอ้อาการโกรธนี่มันเป็นอย่างนี้อาการโทสะมูลนี่สายมูลมันเป็นลักษณะนี้มันต่างกันนั่นกอาการโลภหรือแม้แต่โลภโลภน้อยโลภมากเป็นอาการของความหยาบ วิติกมักกิเลสอาการกลางกลางปริยุทธานกิเลสเนอะกิเลสแต่ก่อนนี่ราแรงนะหยาบนี่ยวิติกมักหยาบอาการโลภนี่แหละหรืออาการราคะนี่แหละคุณมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วแต่ก่อนนี้ไม่มันโลภจังเลยเนี่มันอยากจะเอาทั้งนั้นอนะเงินทองเข่าของอะไรเห็นอยากได้ไปหมดในคีโลภหาทางที่จะกอบโกยหาทางที่จะเอามาเป็นของตัวของตนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มาทํางานยิ่งทําไปก็ยิ่ง เห็นว่าก็ไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปก่อโกยเป็นข อ, ของตัวของตนอะไรก็ได้ทําแล้วก็เอามาวนเวียนกันให้เกิดการสร้างสรรค์เกิดการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แจกจา่ายเจือจานอะไรไปก็ได้เราจะเห็นอาการทางจิตของเราว่าความโลภน้อยลงโลภในเงินทองโลภในทรัพย์สรินิขานโลภในไอ้สิ่งที่เคยโลภเคยอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรแต่แล้วแต่แต่ก่อนนี้มันจัดเนะเดี๋ยวนี้มันเป็นกลางๆและเป็นขนาดแค่ปริยุทธานกิเลส เดี๋ยวนี้มันเหลือ น, น้อยแค่อนุสัยกิเลสนะโอ้โหบางทีมันเหมือนก็นไม่เราไม่มีเหมือนกับเราจะเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะแต่มันนานๆมันโผล่มันมีอาการแต่อาการก็ไม่แรงอาการก็พอคุมได้อาการก็พอคุมได้นะ ไ, ไม่แรงนะรู้อาการมันมันมีอาการมีนิมิตหมายมีเครื่องหมายมีลักษณะใหเราญาณของเราเนี่ยจะ อ่านมันได้จับมันได้ฟังรู้เรื่องไหมแล้วก็มีสภาวะรองรับไหมเอาทีนี้อาการจนกระทั่งถึงอนุสัยอย่างที่อ่อนเนี่ยมันก็ไม่เกิดทีนี้มันก็ไม่มีอาการกลับกลายเป็นเห็นอาการศูนย์อาการไม่มีไม่มีอาการของโกรธอย่างนั้นมันมีเหตุปัจจัยอะไรลนะ่ะ เหตุปัจจัยโกรธคนนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็คนนี้แล้วนี่ไม่มีอาการโกรธไม่มีอาการเครืองแล้วคนนี้แต่ก่อนเป็นคู่อาฆาตนะเจอกันไม่ได้พูดกันไม่ได้มีเรื่องราวทํางานร่วมกันไม่ได้ไม่มันเกิดเดี๋ยวนี้ทํางานร่วมกันก็ได้เย้าแย่กันก็ได้บางทีแรงแรงเลยก็ไม่มีอาการแล้วเป็นมิตรสหายหมดแค้นหมดเครืองหมดอาฆาตหมดเวรหมดภัยกันแล้วเป็นเรื่องเป็นมิตรเป็นญาติสนิทแล้วไม่เป็น ศัตรูกันแล้วไม่เป็นคู่อาคตาิไม่เป็นเวรเวลานูเวรที่ผูกกันมาแต่เมื่อไหร่จะทะเลาะเบอกแว่งจะถือสาจะโกรธจะเคืองจะชังกันนะไม่มีอาการที่ไม่มาาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ชอบอะไรที่มันเคยมีไม่มีเลยแล้วก็ไม่เป็หลงผิดจนกระทั่งกลายเป็นรักอีกหละ่ะก็ไม่มีก็สัมพันธ์สัมผัสกันก็รักกันอย่างญาติอย่างที่ร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตาย จะสนิทสนมเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันก็ตามความหมายของสมมุติสัจจะดูแลรักกันเกื้อกูลกันไปมีงานร่วมกันทําอะไรอย่างดีไม่มีอาการทุกข์เพราะชังเพราะอาฆาตมาตรายสายโทรสัมูลก็ไม่มีสายราคะมูลก็ไม่มีาามมมอาจจะไปผูกพันติดยึดอะไรกันจนเกินการก็ไม่มีหรือจะยังมีอยู่ก็ยังไม่เป็นไรแต่อย่าให้ไปเกินเป็นราคะ เป็นราคะประเภทที่เป็นเมถุนทำเป็นอะไรไปกันแล้วกันเป็นแต่แค่เป็นญาติแต่ก็ไม่ผูกพันถึงญาติว่าจะต้องพา ก, กันไม่ได้จากกันไม่ได้อีกทีหนึ่งตีตลบกับพดชังแล้วก็เลยมารักก็เลยรักผูกพันอ่พาพากันก็ไม่ได้จากกันก็ไม่ได้กลายเป็นของรักของห่วงจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดนานนับกับการก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกเอาจจะมันมีจะมีการผูกพันอยู่บ้างก็ยังดีกว่าที่โกรธที่เิืองแล้วก็ไม่ได้จัดจ้านถึงขนาดเป็นเมถุน อถ้า แ, แค่เป็นญาติจะเป็นพี่เป็นน้องไปอีกนาะนับชาติเป็นลูกของพระเจ้าอหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องกับพระเจ้าอะไรก็ตามแต่เธอะถ้าเราจะใช้ภาษานั้นกลายเป็นผูกพันทางด้านสายญาติก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นแต่เพียงว่าไม่ศูนย์เท่านั้นเองแต่ถทำไมศูนย์มันก็ไม่ใช ไ, ไม่ใช่อรหัตผลแต่ถ้าศูนย์ก็แม้แต่เป็นญาติเราก็รู้จักญาติตามสมมุติแล้วเราก็ไม่ได้ติดยึดอะไรอีกเลยนะ่นก็ศูนย์ได้ ทีนี้อาการที่อาตมากำลังกล่าวถึงนี่แหละว่ามันศูนย์มันดับเรารู้อาการนี้ไม่มีไม่มีอาการไม่มีลิงคะไม่มีนิมิตไม่มีอุเทศจะพูดไม่มีอะไรจะยกขึ้นแสดงอีกแล้วมันจบแล้วมันไม่มีภาษาไม่มีอะไรอุเทศที่จริงมีอาตมากำลังพูดในบอุเทศกลับเห็นศูนย์ เห็นอนัตตาเห็นความไม่มีตัวตนของอาการนั่นแหละอาการที่มันเป็นลักษณะเล็กๆน้อยๆของวิติกกรรมกิเลสเออของอนุสัยกิเลสก็ไม่มีไม่ต้องกล่าวถึงปริยุทธานกิเลสไม่ต้องกล่าวถึงวิติกกรรมกิเลสไม่ต้องกล่าวถึงกิเลสหยาบมันไม่มีจริงๆเพราะอาการเหล่านั้นมันไม่มีเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบหรืออาการสัมผัสเพียงแต่ชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏไหม คือปรากฏไหมเนี่ยเอาคําพระอนุนมาตอบเอาความจริงของตัวเองที่รู้ที่แจ้งจริงหรือเปล่าน ะ, อะเอาคําที่รู้ที่แจ้งจริงของตัวเองมามาตอบให้ได้มันได้เท่าไรก็เท่านั้นนี่ได้แค่บอกว่าพอเข้าใจะนี่ได้แค่บอกว่าพอเข้าใจเอามาตอบ อาการนั้นดับในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป็นคารวไปตั้งไม่ใช่ตั้งแต่เป็นคนที่ยังมีรูปนามขันท่าต้องเรียนรู้บอกแล้วเป็นพระอรหันจะไปเป็นพระอรหันต่อเมื่อตายไปแล้วนี่ยมันไม่ไม่ได้หรอกมันได้ตอนนี้แหละปัจจุบันนี่แหละมันชัดเป็นได้เหมือนกันเป็นพระอนาคามีแล้วศูนไปแล้วอะไรอะไรไปนั่นประเภทนั้นอรหันไม่ใช่ปัจจุบันอรหันแบบนั้นอรหันไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่ด้มีรถวิมุตติรถอย่างสมบูรณ์อย่างปัจจุบันนี่หรอกนะ เพราะอาหารแบบนั้นอาหารหันต์กินของดองไม่ได้กินของสดอาหารหันต์แบบเป็นพระอนาขามีแล้วก็ไม่กลับเกิดอีกแล้วก็เป็นอยู่ในภพไหนไหนไม่เข้าเรื่องนะ่นอาหารหันต์กินของดองไม่ไม่รู้จักรถที่แท้ไม่จะรู้จกักระจุบันธรร ม, มรู้จกักศูนย์ที่เป็นสุญญาตาที่สมบูรณ์อะไรแต่เป็นขณะเป็นพระอาหารหันต์ก็เคยเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆของเราหมดทุกกิเลสตัณหาแม้แต่ในภพ เพราะของอนาคามิพบเนี่ยมันก็ไม่ได้ดับภพบนี้ให้หมดสิ้นเนี่ยเรียกว่าสังโยชนิสิบมันไม่เกลี้ยงจริงเนี่ยนะไม่ได้กินของแท้มันไม่ได้กินแต่ของดองไปทะลอที่มันมีองค์ประกอบอะไรตรัวใดชัดเจนมันก็แค่นั้นน่ะ เ, เราไม่ต้องไปพูดถึงกันนั้นะมาเจาะตรงนี้ลึกๆฟังเข้าใจขึ้นมาแล้วนะภาษาเนี่ยเพราะงั้นถึงบอกว่าถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจโดยที่พวกเรานรี่ปฏิบัติมาขนาดนี้จึงพอพูดเรื่อดูเรื่อง เพราะในทางสายที่ไม่ได้เรียนมาอย่างนี้นะอาตมาพูดกับไปข่มเขาพูดกับไปดูถูกเขาอีกอะบอกไม่มีทางรู้เรื่องแล้วเทตมาพูดนี่พวกเราเข้าใจดีไหมเห็นจุดของจุดวิมุติจุดสุญญาตาจุดอนัตตาหรืจุดที่จะไม่มีอะไรเกิดตกลงอะไรไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสนามรูปของกิเลสไม่เกิด ไม่ใช่น้ํารูปของร่างกายนี่มีแขนมีจมูกมีหูมีตานี่แล้วก็มีวิญญาณประกอบมีใจอยู่ในนั้นอีกอันหนึ่งลมใหญ่ๆนี่ที่พระอาหารหันต์ตายปรินิพานเนี่ยไม่ใช่อันนั้นอันนี้อันที่น้ํารูปที่อาการลิงค์ขั้นนิมิตนี่จับไปได้เพราะฉะนั้นดับดบจริงๆนี้ไม่ใช่ไปทรวงหูทะวงตาไม่ใช่ไปปิดตวานดับตาตอนนี้เข้าใจขึ้นไหมว่าไม่ใช่ไปนั่งดับดั บ, ดบตาตาที่มีปัสสาะเป็นปัจจัยได้เลย แต่แม้ผัจสะเป็นปัจจัยทางตาเนี่ยนะและทีนี้เรียกนามสัมผัสแต่ชื่อในรูปกายจะพึงปรากฏไหมอาการลิขะนิมิตในรูปนั้นไม่มีแล้วไม่มีรูปไม่มีนามและรูปคือสิ่งที่ถูกรู้รูปกายสิ่งที่ถูกรู้มันไม่มีอะไรให้ถูกรู้มันศูนย์มันไม่มีอาการโลภะก็ไม่มีอาการโทสะก็ไม่มีไม่มีรูปของโลภะไม่มีรูปของโทสะไม่มีอาการไม่มีรูปให้ถูกรู้มันศูนย์มันว่าง เพราะฉะนั้นจะเป็นเพียงสัมผัสเพียงแต่ชื่อหรือว่าจะถูกสัมผัสโดยการกระทบไม่มีเกิดจะพึงปรากฏในนามกายก็ไม่มีจะพึงปรากฏที่รูปกายก็ไม่มี <c oughs> สัมผัสเป็นแต่ชื่อรูปกาย <c oughs> ก็ไม่มีเมื่อไม่มีอย่างนี้แหละการบัญญัตินามก็ดีรูปกายก็ดีต้องพร้อมด้วยอาการลิงคณิมิตอุเทศ เมื่ออาการลิงคานนิมิตอุเทศ น, น, นั้นไม่มีการสัมผัสเพียงแต่ชื่อก็ดีการสัมผัสโดยการกระทบก็ดีจะพึงเกิดปรากฏได้บ้างไหมตอนนี้เดาก็ได้เอาภาษามาเดาก็ได้ถ้ามีภสภาวะคุณก็จะตอบได้สปอนด้วยสภาวะเลยว่าโอ้ใช่มันไม่มีเพราะฉะนั้นรูปนามันดับลงตรงนี้ไม่ใช่ไปร่างกายเนี่ยเอาไปเผาแล้วก็เลยรูปหายนะ จิตวิญญาณอยู่ไหนก็ไม่รู้เอาเถอะมันก็มันก็หายอยู่แล้วแหะตายแล้วมันก็มีแต่รูปกายเท่านั้นเองไม่ใช่อันนั้นนามรูปอันนี้เนี่ต้องรู้นามรูปอันนี้เป็นๆนี่แหละเรียนเนี่ยรู้นามรูปอันนี้นี่หายไปแล้วการบัญญัตินามรูปต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุเทศเมื่ออาการเพศนิมิตอุเทศนั้นไม่มีผัสสะจึงปรากฏพระสะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมเมื่อไม่มีนามรูปบรรนั้นแล้วผัสสะนั้นไม่ใช่ผัสสะตาหูจมูกลิ้นกาย ใจหยาบนี่เอแล้วผัสสะนั่นคือนามรูปนั้นไม่มีนามรูปที่เราพูดถึงกิเลสนั่นนะ่ะไม่มีนามรูปของกิเลสนั่นแล้วภัสสะจะไปภัสสะกิเลสนั่นก็ไม่มีเห็นไหมว่ามาดับผัสสะนี่ไม่ใช่ไปดับภัสสะตาหูจมูกลิ้นกายที่ตรงตาตรงนี้ไม่ใช่เลย เ, เพราะฉะนั้นอายตนะนี่เป็นเรื่องของตัวรองรับข้างในทวานเป็นการรองรับข้างนอก ทวานเนี่ยจากสุทวานโสตทวานชิวอาณนาะทวานชิวหาทวานเนี่ยมันทวานตานอกมันรับผัสสาแล้วมันก็ไปเกิดข้างในพอไปเกิดข้างในในในเราเรียกว่าอายตนะพระะาะฉขณะนี้เราไม่มีอายตนะหรือดับอายตนะมีแต่ความรับรู้อายตนะก็เป็นตัวรับรู้ที่รู้สดสดรู้บริสุทธิ์ดูไม่มีนามรูปของกิเลส รู้แจ้งรู้ชัดว่าเป็นรูปก็รูปอย่างนั้นโดยบริสุทธิ์แดงก็แดงเขี้ยก็เขี้ยวเสาก็เสาเออคนนี้หน้ากลมๆนนี่ถ้าไปประกวดนางงามเนี่ยจะได้เป็นนางสาวไทยนะคนนี้หน้าเบี้ยวๆเนี่ไปประกวดนางงามนี่ยเขาไล่ลงเด็ดรอบแปกนะเนี่ยรู้ตามโลกสมมติรู้แต่เราก็ไม่มีกิเลสอะไรไป็นผสมไม่มีนามรูปของกิเลสก็ไปปรุงเลยรู้ความจริงตามความเป็นจริงแดงก็เป็นแดงไม่ใช่โอ้แดงนี่สวยชอบอยากได้ไม่มี แดงก็คือแดงเขียวก็คือเขียวหวานคือหวานเปรี้ยวคือเปรี้ยวเหม็นคือเหม็นหอมคือหอมเหม็นก็คือกลิ่นอย่างนั้นเราเรียกว่าเหม็นก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชังเข้าใจชัดว่าเหม็นก็คือเหม็นหอมก็คือหอมขมคือขมหวานคือหวานร้อนคือร้อนเย็นคือเย็นแข็งคือแข็งอ่อนคืออ่อนก็รู้ตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงหมดไม่มีสังขารของนามรูปเข้าไปสังขารร่วมเลยนามรูปกิเลสไม่มีนามรูปเข้าไปปรุงร่วม ดูความจริงตามความป็จริงบริสุทธิ์สะอาดอาราพูดอย่างนี้มันจบพูดอย่างนี้มาถึงอรหรันนะอรหันใหญ่เอาแต่แค่อรหันน้อยของคุณแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ก่อนนี้มาติดบุรีนะเอาตั้งรบายมุกหยับยาบเห็นบุรีแล้วโอ้โหเห็นเพื่อนดูดได้กลิ่นทนั้นก็ ขึ้นแล้วผีขึ้นแล้ปรุงเห็นอาการมันเลยระลึกถึงความหลังแน่ระลึกถึงก่อนมันอยู่นะยังมีรสมีชาตมีอะไรอยู่ในใจคุณก็รู้หรือว่าเรามาปฏิบัติแล้วมันจะกลับกลายเป็นผลักก็ได้เป็นผลักแต่ก่อนชอบดูดอร่อยนะตอนนี้มาผลักอเหม็นแล้วจริงๆมันเหม็นจริงๆเลยนะบุรีเนี่ยมันเหม็นจริงๆเลยนะมันไม่ได้หอมแหมอะไรเลยเหม็นได้กลิ่นโอ้เหม็นเหม็นผักจัด เอาละความจริงมันก็เหม็นจริงๆก็เป็นพิษเป็นภัยจริงๆด้วยเราก็รับรู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยเป็นแสบรู้ว่ามันเหม็นมันเป็นปฏิกิริยากับเซลลประสาทเหมือนกันเราก็จิตใจเรามีส่วนซ้อนกันไปอีกว่าเราอย่าให้เกิดความไม่ชอบมันเหม็นคือเหม็นมันร้อนคือร้อนอ้าวคุณไปจับน้าร้อนๆจัดๆนี่ร้อนแล้วเราก็เออเอาละเราไม่ชอบก็อย่าไม่ชอบ มันร้อนก็ร้อนหรืออากาศร้อ น, อนๆมานี่โอ้โหมันขับเหงือ่อขับใครขับโอ้โหมันร้อนเนะ่ะเผามันเป็นปฏิกิริยาของธาตุแต่เราก็อย่าไปทําให้มีอาการซ้อนที่ว่าไม่ชอบดิ้นรนเกินเหตุทําให้วางวา ง, วา ง, วางที่สุดได้เราก็วางที่สุดได้เหตุการณ์จริงๆมันก็ต้องเป็นจริงๆ มันร้อนอยกระทั่ทงสมมติว่าเอามือเนี่ยไปจี้เอาไฟเผาแดงๆเนี่ยแน่นอนมันก็ไหม้ฉี่ๆไปเรื่อยๆมันจะไปทนไหวเหรือให้พระราหันเขทนไม่ไหวอ่ะมันก็ไหม้เงี้ยเราก็รู้แต่วแต่เราอย่าไปมีอารมณ์ที่ว่าแหมชังไม่ชอบหรืออะไรอะไรพวกนี้ขึ้นให้มากอ่านพวกนี้ให้ชัดเลยอาการพวกนี้อาการของลักษณะกิเลส ช, ชอบชังลักษณะของกิเลสผลักหรือดูดพวกเนี้แต่ความจริงก็เป็นการเป็นจริงเราก็แหมมันไม่ไหวแล้วมัน มันร้อนเอาอมือไปจิ้มไฟมันไหมฉี่ฉี่งไม่ไหวะไม่ต้องถึงไหมฉี่ฉี่มันก็ไม่ไหวแล้วก็รู้ว่าร้อนลึกเย็นจับมื่อจันน้าแข็งเจนจัดไปโอ้โหเหนียวหนุบๆเลยนะัปวดเราก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่ต้องถึงกับชังขยะขยะงแล้วจนกระทั่งตังเกียดไม่อยากเขาใกล้อะไรเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่มันจําเป็นถึงคราวถึงครั้งวันเหนียวถูกน้ําแข็งหัวทับถมนี่เองไปถูกภูเขาน้ําแข็งพังทับ เย็นแล้วก็เอเอก็าเขจัดก็ออกมันมันเจนมันปวดมันไม่ต้องทุกขซับซ้อนลงไปในทุกขที่มีน้ําแข็งทับหรือไปไปตกเข้าในไฟไหม้อยู่ในดงไฟไฟกำลังเผาตัวแม่เราร้อนแล้วเราก็ไมปไปทุกซับซ้อนกับวาง ก, กลางๆเออมันก็เป็นอย่างนี้ไฟร้อนอยู่ก็าจะทำยังไงจะเอาไฟออกก็เอาออกจะมีพลังจะมีปัญญาจะไม่ตื่นเต้นไม่วุ่นวายไม่ ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่สับสนทําอะไรจะมีปัญญาใสามีระเบียบระบบมีปฏิพานมีอะไรอะไรดีครบคันอยู่ยิ่งจะครบคันกว่าด้วยมันจะรู้เลย ป, ป, ปัจจุบันนั้นเราจะทําอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะชัดเจนนะมันจะไม่มัวไม่เมาไม่สับไม่สนไม่วุ่นไม่วายได้อย่างดีเลยนะ เนี่ยก็บรรก็เป็นตัวเทียบกับศูนย์สิลิงค่าหรืนเพศก็คือมีความแตกต่างเรารู้อาการนี้แตกต่างกับอาการนี้ก็เทียบไปฟังแล้วอาการโดยสายโดยสายโทรศัโดยสายโลภะก็มันก็ต้องต่างกันมันอาการนี้มันบอกเราเราเรียนรู้โดยยานว่าเรารู้ว่มันต่างกันอย่างไร หรือไม่ได้โดยสายและโดยตัวมันเองมันมีหยาบมีกลางมีละเอียดจกนกระทั่งถึงศูนย์มีกับไม่มีต่างกันลิงคะคือต่างกันมีเครื่องหมายให้รู้ว่ามีเครื่องหมายให้รู้ว่าไม่มีรู้ว่าเครื่องหมายของศูนย์หรือเครื่องหมายของตัวมีมันต่างกันนะมีกับไม่มีมันต้องต่างกันนะอธิบายแต่แค่อาการลิงค์ะนีมิตรเท่านั้นอุเทศนี่คือคุณหยิบอุเทศมาให้ผมขอผม ก, ก็กํำลังแสดง ที่คุณฟังอยู่ตามอุตเทศยกขึ้นแสดงอยู่เนี่ยก็คืออาการลิงคณิมิตมันมันมีเครื่องหมายบอกให้เรารู้เรนี่ว่าศูนย์นะศูนย์มันเป็นยังไงคุณยังไม่เคยรู้จักศูนย์เลยคุณก็ยากเพราะคุณรู้ศูนย์สักตัวหนึ่งหรือสักสภาพหนึ่งคุณก็จะมีสภาพนั้นเป็นหลักศูนย์คุณก็จะไปเทียบกับไอที่มีอักเกลีย์สายอื่นมามันยังมีมันยังเหลืออยู่มีอยู่ก็ไม่มีมันจะต่างกันนะลิงคะเรียกว่ามันต่างกันนะ ถ้าคุณไม่มียานเปรียบเทียบหรือไม่มียานแทนผงนี้แล้วคุณก็ไม่มีทางศูนย์ถ้ายังไม่มีศูนย์เป็นหลักคุณก็ยังไม่มีศูนย์หรือไม่มีตัวอื่นที่จะทำต่อคุณจะต้องเริ่มให้มีศูนย์เป็นหลักสักอันหนึ่งก่อนแล้วกิเลส อ, อื่นๆสายอื่นมามันก็ลักษณะในเดียวกันแลกิเลสหลักใหญ่ก็ผลักดูดนี่แหละโลภะโทสะนี่แหละเห็นชัดโดยไม่หลงผิดไม่โมหะ จับตัวจับตนมันได้รู้ตัวรู้ตนรู้อัตตารู้อาสวะได้มีตัวตนระดับอาสวะเลยอย่าว่าจะระดับของแค่อัตตาหรือสักกายะเลยตัวตนมันมีตัวตนให้เรารู้แต่มันไม่มีตัวตนอย่างภาษาโลกเรียกหรอกไม่มีบัญญัติภาษาที่จะมาสมมุติเป็นรูปกายที่จะเรียกรูปกายเนี่ยหรือว่าเรียกแต่ชื่อนี่สัมผัสเพียงแต่ชื่อนี่มันก็ได้แต่ชื่อนั่นแหละแต่มันมีมันมันตัวตนของมันคือตัวตนมันมีหรือไม่มีหรืเป็นนามกาย ใช่ไหมมันเป็นนามากายมันมีไหมเรียกชื่อมันก็คือเรียกชื่อตามรูปกายที่ว่าเนี่ยถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีมันมีก็คือมีคุณจะรู้ว่าอันไม่มีคุณก็ต้องมีหลักอันไม่มีก่อนมีสุญญตามีอนัตตานั้นก่อนแล้วคุณก็จะรู้ต่อไปมีลิงคะว่าเปรียบเทียบว่ามีหรือไม่มีในประเด็นไหนในเหตุปัจจัยไหนนี่เหตุปัจจัยบุรีหรือเหตุปัจจัยเล่าเหตุปัจจัยสารพัดทุกสิ่งทุกอย่าง สัพเพธรรมมานิมิตก็เครื่องหมายให้รู้ ม, มีอาการเนี่ยมันมีเครื่องหมายมีลักษณะมีสภาพจะบอกยังไงล่ะก็เครื่องหมายก็ซ่อนลงไปอีกกับอาการนั่นแหละอาการอย่างนั้นแหละมันเป็นนิมิตหมายมันเป็นเครื่องหมายมันเป็นตัวลักษณะของมันมันเป็น ร้อนก็คือร้อนลักษณะร้อนมันก็เป็นลักษณะร้อนนิมิตนี่ว่าเรียกว่านิมิตนี่เรียกว่าร้อนนี่เย็นนิมิตนี่เรียกว่าเย็นนิมิตนี่เรียกว่าหวานนิมิตนี่เรียกว่าเปรี้ยวมันก็มีนิมิตมีลักษณะของมันมีอย่างนี้ของมันแล้วไอ้ลักษณะอย่างนี้แหะมันมีอาการอ่อนอาการบางอาการอาการหยาบอาการแรงอาการเบามันละเอียดละชั ละเอียดแล้วมันก็บอกชัดขึ้นอย่างนั้นนะ่ะเมือนก็เหตุกับปัจจัยกับสมุทัยอะไรต่างๆนานานของพระเจ้านี่แหละบางอย่างก็คือมีแต่เหตุเหตุเหเหเะเราใช้ภาษาไทยตัวเดียวกันทั้งหมดไอ้นี่ก็คล้ายๆกันนี้มีกับอาการนี่ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันก็แยกให้ออกอีกชัดๆว่าถ้าจะบอกว่าอาการมันมากอาการมันน้อยมันก็บอกลักษณะของอาการแน่หยาบกลางละเอียดถ้าจะบอกถึงว่ามันเป็นลีลายังไงนันนิมิต ลีลาร้อนลีลาเยน็นลีลาหวานลีลาเปรี้ยวลีลาของโลภะลีลาของโทสะมันลีลาของมันยังไงลักษณะของมันยังไงลีลาของมันพอเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> พอเข้าใจรวมรวมแล้วเข้าใจรวมรวมก็จับตัวมันออกไปเรื่อยเรื่อยเลยมันจะเห็นความละเอียดของมันที่แยกชัดถ้าจะใช้ชชยพยัญนชนะเรียกมันถึงว่านิมิตรหรืออาการเนี่ย มันก็จะจะรู้ได้ถ้ารู้รวมรู้ชัดๆรู้จริงแล้วนะคนที่ไม่จะไม่ไม่ไม่เก่งด้วยปฏิพานนิรุติอะไรนะอีกตัวหนึง่งนะเอาภาษามาใส่เข้าไปใน้รุติอะไรอีกนะอัฏฐธรรมะนิรุติปฏิพานนะเรียกว่า อ, อ, อะไรเซียเดี๋ยวจตุปติสัมพิทาญานจตุปติสัมพิทาญานมีอัฏฐมีธรรมะมีอัฏฐปฏิสัมพิทาญาณมีธรรมะปฏิสัมพิทาญาณมีนิรุตติปฏิสัมพิทายาณมีปฏิภาณปฏิสัมพทาญานคือ <c oughs> ถ้าเราไม่มีไม่รู้แก่นรู้แทรู้เนื้ออัฏฐแล้วก็ไม่รู้รอบเป็นธรรมะไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้าน และเราก็ไม่มีภาษานิรุติไม่มีภาษาที่จะอธิบายบางทีไม่มีปฏิสัมพทนยานี่ยากเหมือนกันและยิ่งไม่รู้อัตถะไม่รู้ธรรมะเขงมันก็ได้แต่ภาษาคนทุกวันนี้เรียนกันแต่ภาษานิรุติมีปฏิภาในภาษาเท่านั้นก็วิเคราะห์ภาษาสู่ภาษาเดี๋ยวนี้เก่งเยอะพราะจะต้องรู้ทั้งภาษาเพราะมันจะมีภาษาไม่เก่งนักโดยเฉพาะภาษาบัญญัติที่เขาว่ากันไปเป็นวิชาการเพราะภาษาวิชาการเนี่ยอาจจะเยอะแยะนะผมอาจจะสู้ สู้ใครต่ใครที่เขาเรียนมาเป็นประเรียนมามากๆมากมายอะไรอ่านมาเยอะอะไรมาเยอะผมอาจจะสู้ไม่ได้แต่ภาษาไทยเนีผมเอามาอธิบายได้ภาษาวิชาการไม่ค่อยเข้ารองเขาร้อยบางทีดีไม่ดีไม่ค่อยตรงกับไอ้ภาษาที่เป็นภาษาวิชาการเขาด้วยซ้ําก็ได้อย่างนี้อยางที่อธิบายเนี่ยเขาแปลออกมาเนี่ยนะถ้าตมาแปลอัตมาก็จะขยายความมากกว่านี้นะขยายด้วยว่าจะชี้ภาษาในคําในความพวกนี้จะขยายลงไปบวงเล็บวงกับหรืออะไรอะไรให้มากกว่านี้แต่นี่แหละ เขาแปลออกมาตามพยัญชนะมันก็ได้พยัญชนะนี้ก็ดีแล้วละ่ะแต่มันก็ไม่ได้อธิบายไปชัดลงไปหรือว่าจี้ลงไปชัดอย่างที่อาตมา ก, กําลังหยิบอธิบายเพราะงั้นใครอ่านเขาก็จะอ่านแค่นี้ฟังไปแล้วก็มองมันในระดับตื้นเพราะเขามีปัญญาตื้นเขาจะไม่มองเขาไปเห็นในระดับลึกได้เลยอตื้นใครก็เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่เกิดนามรูปเขาก็เป็นลึกถึงนามรูปเลยนี่ยรูปร่างกายเนี่ยไม่เกิดอีกตายดับศูนย์ ก็บอกโอ้ทั้งนั้นปิติวานมีผัสสะเอาเขาปิดตาปิดหูปิดนิ่งผู้นี้ไปเลยปิดไปหมดเลยมันจึงเอียนเอียนเอียงไปข้างฝ่ายฤาษีที่ไปนั่งรับหูหลับตาไม่มีผัสสะอ้าก็ใช่สิไม่มีผัสสะแล้วก็ตาก็ต้องไม่เห็นสิถูกแล้วถูกแล้วหูก็ดับอย่างเงี้ย ป, ปฏิบัติอย่างเงี้ยมันถึงจะดับได้ถ้าไย่างั้นดับไม่ได้เขาก็ต้องเข้าใจอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องเข้าใจอย่างเงี้ย เพราะเรื่องนามรูปนี่จึงไม่ใช่เรื่องตื้นเขินอะไรเรื่องลึกซึ้งมากนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูกระอานนท์การบัญญัตินามรูปต้องพร้อมไปด้วยอาการเพศหรือลิงคะนี่อาการลิงคะนิมิตอุเทศเมื่ออาการลิงคะนิมิตอุเทศ น, น, นั้นไม่มีผัสสะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะเห็ุนั่นแหละอนนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งผัสสะก็คือนามรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นนามรูปไม่มีแล้วจะเอาผัสสะมาแต่ไหนละ่ะ กิเลสนามรูปของกิเลสไม่มีมันก็ไม่มีผัสสะแล้วแต่แน่นอนตาของคุณมีผัสสะอยู่คุณเห็นสีแดงคุณก็เห็นสีแดงแต่นามรูปของกิเลสไม่ได้มีไปไปไ ป, ไ ป, ประกอบอยู่ในจิตเลยไม่มีกิเลสเข้าไปสังขารเข้าไปปรุงอะไรเลยมันก็ไม่มีผัสสะก็ไม่มีผัสสะตัวไม่มีนั้นจึงยากที่จะอธิบายเพราะเขาไม่เขา้าใจถึงผัสสะทางทวารตาไม่ได้ไปผัสสะที่นามรูปของกิเลส แล้วก็ไปเกิดการสังขารในจิตวิญญาณเขาไม่ได้ลึกไปอย่างนั้นก็คำนี้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะฉะนั้นขณะที่พระ อ, อรหันต์เจ้ามีอรหัตผลอย่างนี้มีวิมุติอย่างนี้เนี่ยมีสุญญาตาอย่างนี้มีอนัตตาอย่างนี้เนะี่ยเข้าใจนะความหมายนี้ในพระ อ, อรหรันต์เป็นเนเนี่ยพระ อ, อรหรนันต์นี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่ามีวิญญาณอยู่วิญญาณพระ อ, อรหันต์นะมี แต่นี่ท่านบอกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอานนเธอพิงทราบความข้อ น, นี้โดยปริยายแม่นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปดูกะอานนก็วิญญาณจักไม่จักยังไม่ยังลงในท้องแห่งมารดานามรูปจักขาดในท้องแห่งมารดาได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะ เ, เดี๋ยวค่อยตั้งใจมาฟังต่อนะ ดูกระอาน o ์ก็เท่าวิญญาณยังลงในท้องแห่งมารดาแล้วจักรล่วงเลยไปนามรูปจักบังเกิดเพื่อความเป็นอย่างนี้อย่างไรก็แล้วแต่ได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะดูกรอาน o ์ก็เท่าวิญญาณเมื่อกุ ม, มารก็ดีกุ ม, มาริกาก็ดียังเยาว์วัยอยู่จักขาดความสืบต่อนามรูปจักถึงความเจริญงอกงามไพบูุญได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแหละอาน o n เหตุนิทานสมุทัยปัจใจแห่งนามรูปก็คือวิญญาณนั่นเองเพราะอ่านอย่างนี้กลับมาปั๊บก็ถึงคิดถึงกุมารกุมาริกากุมารีนั่นเองนึกถึงผู้หญิงนึกถึงผู้ชายนึกถึงมารดาที่เป็นรูปธรรมหมดเลยถูกพระอรหันต์เจ้าปรินิพานอย่างที่เคยกล่าวแต่ถ้าอย่างที่เรากําลังพูดนี้นี่นะจะเป็นชายเป็นเพศ ชายเป็นเพศหญิงกุมารกุมาริกาหรือแม้แต่ว่าท้องแห่งมารดาคันธโพเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงคันธโพที่อย่างลงในคันที่เป็นท้องแท้ๆของแม่ที่เป็นแม่เนื้อหนังนะคันธโพในจิตคันธโพในวิญญาณเพราะฉะนั้นขึ้นมานี่ท่านบอกว่า เธอเพิ่งทราบความข้อ น, นี้โดยประยายเหมือนที่เราได้กล่าวว่ า, เ พ, าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปดุกระอนุนก็วิญญาณจะยังไม่หยางลงในท้องแห่งมารดานามรูปจะขาดในท้องแห่งมารดาได้บ้างไหมถ้าเผื่อว่าวิญญาณน า, นามรูปมีผัสสะเกิดวิญญาณถ้าเป็นวิญญาณผี ก็จะมีวิญญาณผีนันไปอย่างลงในท้องมารดาแต่ถ้าเมื่อเมื่อกี้พูดแล้วว่าไม่มีวิญญาณผีเลยมีแต่วิญญาณบริสุทธิ์มีแต่วิญญาณบริสุทธิ์มีแต่ศูนมีวิญญาณนะวิญญาณที่บริสุทธิ์มีแต่วิญญาณผีไม่มีวิญญาณผีศูนย์วิญญาณของกิเลสศูนไม่มีวิญญาณของกิเลสเพราะฉะนั้นวิญญาณจักยังไม่หยั่งลงในท้องแห่งมารดา นามรูปจะขาดในท้องเฮมารดาบ้างไหมเมื่อกี้บอกว่านามรูปย่อมไม่มีแต่เราก็ตีลังกากลับไปมีนามรูปถ้าเปนึกถึงแค่วิญญาณที่เป็นวิญญาณสะอาดบารทีก็จะมีนามรูปของวิญญาณสะอาดแต่เมื่อวิญญาณของผีไม่มีนามรูปของผีก็ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนามรูปจะขาดในท้องบารดาบ้างไหมล่ะขาดไหม นามรูปผีขาดไหมนามรูปขาดพระ อ, น, อนุนพระอนุนจึงได้ทูลว่าไม่ได้เลยบอกว่าแล้วนามรูปจะขาดในท้องมารดาได้บ้างไหมก็วิญญาณจะไม่หยั่งลงในท้องแห่งมารดานามรูปจะขาดในท้องแห่งมารดาได้บ้างไหมคือภาษานี่มันกลับไปหมดแล้วมันก็ย่อมขาดได้ได้สิใช่ไหม แต่ทีนี้ในภาษาเขารับเนี่ว่าไม่ได้เลยเพระเจ้าค่ะมันเป็นภาษาที่โ no, นก็โ no, นเหมือนกับแพ้แต่ภาษาอังกฤษนี่เยสสก็โ no, นเนี่ยเนี่ยมันชักจะกลับตีลัง ก, กาตละปัดแล้วรับกันอ่าเขาบอกว่า no, โน้ทังคิวนะถ้าเพราะว่าเรารับบอ่อยเยสทังคิวนะเขาปฏิเสธมาว่าเยสทังคิวคุณก็รับอันนั้นถ้าโน้ทังคิวก็บอกว่าเราไม่รับอันนั้นนะ อันนี้ก็ไม่ได้เลยก็รับอันนี้แหละบอกว่าใช่ไอ้น้ํารูปจักขาดในท้องแห่งมารดาได้ก็เราก็รับอ่าเออใช่โน no, ได้ไม่มีดูกรานนก็ถ้าวิญญาณยังลงในท้องแห่งมารดาแล้วจักรล่วงเลยไปน้ํารูปจักบังเกิดเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้บ้างไหม เพราะจะนั้นเมื่อ น, นา ม, มันขาดแล้วนีวิญญาณมันขาดในท้องมารดาแม้จะเลยไปอีกแม้จะมีอะไรต่อๆต่อๆไปอีกน้ํารูปจะบังเกิดเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอย่างเง้ยได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะดุกระกฏาวิญญาณเน่ยเมื่อกุมารีก็ดีกุมาริกาก็ดียังเยาว์วัยอยู่จะขาดความสืบต่อนามรูปจักถึงความเจริญงอ ง, งามพบูบุญได้บ้างไหมพระพุทธเจ้าทศกัณฐ์ที่บอสตอบอีกสมมติใ้มันเกิด อะไรต่อไปเป็นกุมารีกุมารอะไรเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นอะไรต่อไปแต่ถ้านามรูปนี่มันไม่มีมันไม่สืบต่อจะยังเยาวัยอยู่ขนาดไหนก็ตามแต่นะนามรูปสิ่งเหล่านี้มันไปตัดช่วงตรงไหนก็แล้วแต่มันตัดช่วงมันก็ไม่มีอะไรสืบต่อไปอีกได้ถ้าอธิบายให้หยาบขึ้นไปอีกนะจากนามจากถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้บ้างไหมแม่เยาวัยก็ไม่งอกงาม เพราะมันไม่มีแล้วก็มันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นใหายใจสมมุติเป็นอะไรอะไรออกไปอีกมากมายอย่างไรมันก็ไม่มีอะไรงอกงามมันก็ไม่มีอะไรงอกเงยเพราะเหตุนั้นแหละนี่คือเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งนามรูปแปลให้มันมีคําคล้ายๆกันจุดติคล้ายกับเคลื่อนหรือตายเกิดก็คือยังอยู่เคลื่อนไปจากไปไม่มีหรือตาย ก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดติกระอุบัติก็จึงได้รู้ว่ามันมีอยู่หรือไม่มีอยู่แต่มันมีอาการไ้ยอาการก็คือความเคลื่อนมันมีอาการั้ยอาการคือความเคลื่อนจุตินั่นแหละมันมีความเคลื่อนเกิดขึ้นไหมไม่มีความเคลื่อนเกิดขึ้นเลยมีแต่ความนิ่งสนิทสงบหยุดตายอาการขออกิเลสไม่เกิด เพราะฉะนั้นจุดติ ก, กับอุบัติเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนี้นี่เป็นปรมัตถธรรมเป็นเรื่องของอภิธรรมอย่างยิ่งที่ตั้งใจจะเจาะในเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีอีกมากมายยาวยืดมีอะไรต่ออะไรที่อธิบายขยายความได้แต่ไอตัวนี้แหละยังไม่เคยขยายให้ฟังเพราะฉะนั้นตัวนี้ตรงนี้นี่ไม่ต้องไปตั้งชื่อเทพมวนนี้ว่าอะไรพิสดารอะไรหรอกว่าเจาะ นามรูปโดยอาการลิงคนิมิตอุเทศนี่ชื่ออย่างนี้เลยเอาละ